รู้เฉพาะตนเฉพาะตนโดยดั่งตริน 26 มีคนแว่นอาชีพพนักงานบริษัทบริษัทลักษณะงานอภัยทุก เจริญสติมารู้สึกไม่สบายใจระยะหนึ่งใจรู้สึกแน่วๆอยากขอคําๆไป ชีวิตคารวาสนั้นเป็นอุปสรรคบนเส้นทาง คารวาศแปลว่าการอยู่ครองเรือนและการอยู่ครองเรือนตามธรรมชาติก็ ก็ขาดจากความเป็นบรรพชิตเมื่อนั้นทั้งนี้ก็ จึงไม่มีเหตุให้ตะขิดตะขวงใจหากจะอยากมีคู่ครองพูดง่ายๆว่าถ้าอย่างนุ่งกางเกงอยู่ก็อย่า ถ้าชักชวนกันสนุกแบบโลกๆตลอด เป็นเครื่องชี้ให้กันและกันรู้ตัวว่าขาด มรรคผลมิใช่อภิสิทธิ์เฉพาะแก่บรรพชิตเท่า แต่หากคุณมุ่งมั่นจะเลิกใส่เสื้อกางเกงและๆนี้ก็อย่าสองจิตสองใจเป็นอันขาด คำที่ 2 ผมพูดเรื่องการเจรจาสติให้เขาฟังก็ดูท่าทางให้และไม่เคยแสดงอาการต่อต้านอย่างนี้น่าจะเป็นนิมิตหรือไม่ครับดูแค่นี้ตัดสินไม่ได้หรอกครับต่อให้แฟนคุณเป็นนักเจรจา เมื่อมาอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันคุณจะพบว่าการเจริญสติ อย่าเอาหัวโขนของนักเจริญสติไปใส่หลอกตา เห็นชัดๆว่ายังเป็นผ้าเปื้อนอยู่ๆเกิดขึ้นเมื่อใด ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มใหม่ด้วยนะครับเล่ม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 วิวใจให้กันรักคือความ <Notre> <NHLVatory> <prosêm tääll> <tune sound> <tune out> รู้เฉพาะตนโดยดั่งตริน 27 โยคะกับการเจริญสติกับบัวอาชีพครูสอนโยคะสอนสอนโยคะให้กับคนทั่วไปลักษณะโยคะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนกับการเจริญสติ หากมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกันจะหมายถึงการ เกิดมีจิตเป็นหนึ่งสุขเย็นส่านมีจิตเป็น 1 ทรงๆคือตกเก ดังเช่นที่มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับฤาษี การได้ฌานจึงเป็นส่วนหนึ่งของกองทุกข์ยังไม่ได้ มิได้กําหนดเป้าสูงสุดว่าผู้เจริญในโยคะต้องสําเร็จอะไรจึง หรือเป็นใครใดๆซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีลัทธิ ประการแรกได้แก่การที่โยคะเป็นของดีสามารถลดความตึงเครียดรู้จักหาความสุขจากการบริหารกายใจแก่การเช่นแก้เจ็บปวดตามๆแก้หมอนๆนอกจากเช่นคลาย อันเป็นสาเหตุหลักของโรคจิตได้ด้วย อย่าเพิ่งมาคำนึงว่าจะเอาแนวทางของ ก็เป็นอันตรงกับปรัชญาของโยคะแล้วส่วน นี่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อศรัทธาว่าเช่นท่ายืนบนลัย ถ้าแมงป่องถ้าตะกแตนถ้าคันศรๆทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ให้ เริ่มขึ้นมาพระเช่นหายใจออกก็รู้ว่าหายๆเป็น ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ให้เกิดความเท่าทันสภาวะทางกายใจตามจริง กล่าวโดยและมีผลพลอยได้เป็นสุขภาพที่ดีขึ้นย่นย่อคือคือการฝึกมองกายมองใจกันใหม่เพื่อให้เกิดสติแบบพุทธเป็น รู้จักนิพพานอันเป็นอิสระพ้นภพพ้นภูมิ คำถามที่ 2 หากจะนําการเจริญสติไปประยุกต์สอนเข้าคือเข้า ก็เป็นคนของศาสนาแห่งความเข้าๆว่าพระพุทธเจ้าทรงพยายามจะชี้ให้เห็น ยิ่งไปกว่านั้นพุทธเราไม่ได้ให้ค่าล่อเป็นกับดักให้ติดใจ โดยไม่แน่นอนว่าจะได้ สุขแค่ไหนก็ไม่เอาจําได้หมายรู้แค่ ขั้นต่อไปประยุกต์ใช้สติและสมาธิที่คือ ไม่กวัดแกว่งอยู่ในท่าโยคะ 11 บ้างแล้วที่ตรงนั้นคุณ เพราะสุดทางเข้าต้องออกสุดทางออกต้องเข้าเสมอต้องดําเนินไปตามกฎของความ และเมื่อไม่ตั้งมุมมองไว้ก็ไม่มีทางเห็นตามจริง ยอมเกิดสมาธิขึ้นในแบบพุธเกิดสมาธิเราไม่ใช่ลมในแบบพุทธนั่นคือเห็นสายลมชัดด้วยสํานึก ในที่สุดต้องเปลี่ยนเป็นท่าใหม่และในที่สุดๆในที่สุด กายเราเป็นของคงสภาพถาวรแต่แท้จริงนัก น่านิ่งอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นสุขอิ่มเอมเกษมสรรค์ๆจนกว่าจะชินกับ เมื่อเห็นความสุขเป็นของเสื่อมได้เป็นธรรมดาเห็นความสุขเป็นของเสื่อมได้เป็นธรรมดาๆจัง ก็อาจให้พิจารณานั้นจิตจะจําได้หมายรู้และรู้ ต่อเมื่อจิตเห็นว่ากายสักแต่เป็นสิ่งถูกรู้สัก กายจะสักแต่ปรากฏในท่าทางหนึ่งๆโดยไม่ประกอบด้วยความรู้สึกว่าท่าทางนั้นๆเป็นตัวเรา ว่าเป็นเพียงสภาวะเกิดได้ดับได้และยังมีธรรมชาติอีกแบบหนึ่งที่พ้นไปจากความเป็นกายใจเกิดได้ดับได้และยังมี ฉบับ 47 บทความโดยดังตรินโดยดั่ง